เพราะความจเจริญในธรรมจมะมีได้ท่านผู้ฟังท่านั้นแต่หลโพธิญาณกำลังนำเสนอสมาสติมาถึงช่วงของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่เป็นการทรงสอนให้มองดูที่ประสาทสัมผัสคือเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นนิ่มรสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็ง ได้ใจเหนียวนึกตรึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายนั้นก็ให้ดูว่าสังโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นก็ให้รู้แล้วก็นึกสืบสาวต่อไปว่าสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดน่ะเกิดขึ้นโดยเหตุใดก็ให้รู้ถึงเหตุนั้นแต่สังเกตสังโยชที่เกิดขึ้นแล้วสามารถจะดับได้โดยพิธีดใดก็รู้วิธีนั้น สังโยชน์ที่ดับไปแล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกโดยประการใดก็รู้ประการนั้นก็ แ, แสดงว่ามีอยู่สี่ช่วงใหญ่ๆวันก่อนก็ได้พูดมาถึงสังโยชน์สามข้อนะครคือสักกายทิฐิความเป็นเป็นถือตัวถือตนมีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตนแล้วกระจายออกไปจนเป็นสักกายทิฐิยี่สิบวิจิกิจฉาคือความเครื่อนแพร ง, รงสงสัยเป็นอาการของโมหะ ที่กระจายออกไปเป็นความสงสัยแปดประการคือสงสัยในพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ในใยศิคาในอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตแล้วก็กฏของปัจจยการแล้วก็สีลประตปรามาคือการถือมั่นโดยศีนวัดโดยข้อปฏิบัติที่ปักใจฝังใจยึดติดซึ่งอาจจะดีก็ได้นะแต่ว่าถ้าไปปักใจฝังใจอยู่ในเรื่องเดียว มันก็ก่อให้เกิดอาการยึดติดอย่างหนึ่งแล้วก็ให้เกิดความไม่ชอบใจอีกอย่างหนึ่งก็แทนที่จะเป็นการลดละ ก, กิเลสให้จางคลายลงไปมันทำให้เพิ่มกิเลสได้มากยิ่งขึ้นดันั้นก็ถือว่าเป็นอาการของสังโยชน์ซึ่งก็มีลักษณะเป็นโมหะเช่นเดียวกันสังโยชน์ข้อต่อไปคือ ก ร, รมราคะความกำหนัดด้วยอำนาจของความใคร่ในสิ่งที่ตนเองใคร่ถ้าถามว่าก ร, รมราคะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงในส่วนภายในนั้นจิตมันมีกา ร, รมธาตุคือเชื้อของความใคร่อยู่มีเชื้อของความใคร่อยู่ก็มีกา ร, รมสัญญาคือกำหนดหมายว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน้าพอใจ เมื่อกำหนดหมายมากเข้ามันก็เกิดเป็นการมฉันทะคือความพอใจในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จิตก็จะเหนียวนึกๆึกนึกถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยหน้าของความใคร่คิดมากเข้ามาเข้าใจก็ร่าร้อนด้วยแรงปรารถนาแล้วก็ให้เกิดเป็นการมตัณหาคือบังคับให้จิตมันดิ้น เพื่อได้มาเพื่อถือครองเพื่อครอบครองอยางนั้นก็มีกามาปริยสนาคือสแสวงหาในสิ่งที่ใคร่ด้วยอำนาจของใจที่มีความใคร่ผลต่างของการแสวงหานั้นก็มีการตอ่อสู้มีอุปสรรคมีอันตรายที่ต้องเผชิญเป็นนั้นมากแล้วพอได้มาแล้วมันก็มีความกำหนัดเพลิดเพลินจนชุ่มยินดีนในสิ่งที่ได้แล้วก็มีความรู้สึกหวงห่วง ติดตามมานั่นในกรณีที่เหนียวนึกตึกนึกขึ้นมาจากข้างในแต่บางทีมันมาจากข้างนอกเกลือเห็นลูกฟังเสียงดมกลิ่นลิมรสถรูกต้องเย็นร้อนนอนแข็งแล้วสิ่งเหล่านั้นมันกระตุ้นให้เกิดการการกําหนดเรื่องง่ายของความกําหนิดเชงกํากกหนดว่ารูปนี้สวยเสียงนี้ไพเราะกลิก่นนี้หอมรถนี้อร่อยสัมผัส น, น่าจับต้อง ใจมันกเกิดความใคร่ความปรารถนาความพอใจต้องการได้ต้องการครอบครองเป็นเจ้าข้าเจ้าของก็คิดตรงเหมือนเดิมนะเข้าสู่กระบวนการเดิมเพราะในตรงนี้ต้องมองให้เห็นโทษแต่ท่าแนแนวกองการลดเนี่ยมันมองในแนวไม่สวยไม่งามจะได้ก็ เ, เรียกว่าปฏิฆาสัญญาหรือปฏิฆานิมิตไม่ใช่คือ อสุภาษสัญญาหรื อ, อสุภานิมิตมองเห็น เ, เป็นความไม่สวยไม่งามเทว่ามองคนแทนที่จะมองคนเนี่ยมองเห็นว่าคนเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรดูข้างนอกมีผมขนและผนังผมขนและผนังนี่นนนโดยสีโดยสันฐานโดยปิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่นี่สวยงามจริงไหมหอมจริงไหมสะอาดสะอ้านจริงไหมเราก็จะเห็นว่าไม่ได้มีความสวยงาม ครา้งเป็นของปฏิกูลเพราะว่ากายเนี่ยมันมาจากกุอายะตัวแหลงที่รวมหรือ แ, แหลงที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดสกรปรกทั้งหลายในท้องของมนุษย์เราที่จริงก็เป็นปาช้าขนาดใหญ่นะที่มีซากสัตว์มหาศาลอยู่ในในท้องของเร า, าก็พยายามมองให้เห็นว่าร่างกายตนเองและร่างกายบุคคลอื่นนั้น มันไม่มีอะไรที่น่ากำหนัดเพลิดเพลินเช่นชมยินดีแต่ประการใดจิตใจก็จะบันเทาจางคลายความกำหนัดรวมหน้าของความเพลิดเพลินลงไปความรู้สึกอย่างหนึ่งเรียกว่าปฏิฆะเป็นอาการก็โทสะอย่างอ่อนๆนะครับคือโทสะนี่มันแรงมันออกมาเป็นการประทุษร้ายเป็นความโกรธเป็นความอาฆาตเป็นความพยาบาดในการจองร่างจองผ่านในไรตัวแรงก็งนั้นแรงมากไป ถึงเป็นศาสตยากรรมต่างๆเนี่ยแต่ระดับสัญญยณเนี่ยเป็นระดับกิเลสละเอียดคือเป็นนามนธรรมที่เราเหนียวนึกสึกึกขึ้นมาแลงกระตุ้นจากข้างนอกเรื้อนเหนียวนึกจากข้างในนะก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าตัวมันเองไม่ใช่กิเลสที่หยาบปฏิฆาก็คือความรู้สึกไม่พอใจรู้สึกกระทบกระทั่งรู้สึกหมุดหงิดรู้สึกราคาญ แต่ไม่ถึงกับไปคิดอะไรประทุษร้ายอะไรใครรุนแรงขนาดนั้นเป็นอาการของโทสะนั่นเองแต่ว่าเป็นโทสะอ่อนๆไม่ใช่โทสะที่แรงๆท่านจึงเรียกว่าเป็นอาการของปฏิฆะซึ่งก็หมายความว่ามันหงุดหงิดํำคาญไม่ค่อยชอบมันไม่ถึงก็โกรธเกลียวดูเดือเดอเดอลือดพัลท์อะไรแต่ไหนเป็นอาการของ โทสะอย่างอ่อนๆซึ่งเราจะเห็นว่าแม้แต่ในพวกแรงๆที่เราเรียกว่าโทสะเราเรียกว่าโทสะเรียกว่าโกธาเรียกว่าอุปนาหะอะไรเนี่ยที่จริงมันมีความเข้มข้นไม่เท่ากันถ้าโทสะแล้วจะมีอาการดุร้ายในลักษณะแล้วก็จิตจะไม่สงบปฏิฆาจิตไม่สงบเหมือนกันนะฮะคือกระสัระสาย แล้วก็จะเผาหล่นแต่ว่าไม่ร้อนแรงเกินไปเพราะว่ามันเพียงเป็นไบตะคะเทียบว่ามุ่งกุฎธรายเหมือนกันแต่ไม่ถึงเราจริงว่าจางรุนแรงอะไรมองสิ่งข้างนอกด้วยความไม่พอใจก่อนการจะละให้ขาดเนี่ยไม่ใช่คือการจะบรรเทานะฮะมันต้องอาศัยการเจริญเมตตาคือสร้างความรู้สึกต้องการจะเห็นคนอื่นสัตว์อื่น อยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุสลายกันให้แต่ละชีวิตเนี่ยอยู่ดีมีสุขตามตรงควรแก่ฐานะของตนแล้วก็สร้างความรู้สึกเมตตาเนี่ยเมตตาจิตก็แผ่ไปเรื่อยๆจนมีกำลังก้าแข็งมากพอที่จะทําลายความรู้สึกไม่พอใจเนี่ยให้ลดน้อยถอยลงไปโดยลําดับเพราะว่า ในตานี่มีความเกื้อกูลคือมุ่งเกื้อกูลตัอบุคคลอื่นเป็นลักษณะแล้วมุ่งที่จะเ อ, อื้อมมวยประโยชน์สุขเป็นภาระเป็นหน้าที่แล้วพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็ทาจัดทาหน้าที่กําจัดความปฏิฆะด้วยความอาฆาตพยาบาทมีความสงบเย็นเป็นพื้นฐานของจิตแล้วก็มองเห็นคนเห็นสัตว์เนี่ย เป็นน่ารักเนี่ยมองกันด้วยความเมตตามองแล้วก็น่ารักความคิดรุนแรงก็จะสงบลงไปแต่ทีนี้ในช่วงต่อไปที่สงสอนให้มองว่าพวกเราเนี่ยสองข้อเนี่ยที่ละได้แล้วจะไม่กำเริบขึ้นมาได้อีกด้วยประการใดเนี่ยต้องให้รู้โดยประการนั้นตัวนี้ร่วใหญ่ละ เพราคนที่สามารถละปฏิฆะได้กามรมละฆะได้เนี่ยมันต้องมือระดับพระอนาคามีพระโสดาบันก็ละไม่ได้นะพะนกน ะ, พะสักรามีก็ละหมดไม่ได้คนที่ละได้หมดจริงๆละได้ดัตถะจริงๆเนี่ยต้องเป็นพระอนาคามีก็ละด้วยอนาคามีมากนะมครัหมายความว่าในขณะนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องมีศีลสมบูรณ์มีสมาธิสมบูรณ์มีปัญญาเกิดขึ้นพอประมาณ ใจก็จะสงบจากกรารมราคะเพราะเราต้องนึกกลับไปที่โน้นนะนึกกลับไปที่ตัวนิวรณนะ์กรมราคะก็คือกิเลสประเภทกามฉันแตวเขาก็ละเอียดกว่าหน่อยเมื่อจิตเป็นสมาธิเขก็สงบได้ปฏิฆาก็คือกิเลสประเภทพยาบาทซึ่งเราจะเห็นว่าในสมาธิเนี่ยมันมีปิติซึ่งเป็นองค์ชาเนี่ยก็ทําหน้าที่สงบพยาบาท พความพยาบาทก็ดับไปแต่ว่าไม่ใช่ดับเปิดขาดนะฮโดยสมาธิเนี่ยไม่ดับเปิดขาดแต่ตรงนี้ดับเปิดขาดเพราะมันไม่ใช่พยาบาทแล้วมันมันยืดเดือเล็กประกายไฟมันไม่แรงก็เป็นเพียงอาการของปฏิฆะคือความไม่พอใจความหงุดหงิดความลาคานเท่านั้น สัญญกว่าข้อต่อไปนั่นคือรู ป, ปราคาโดยเนื้อหาสาระจริงๆนะฮะถ้าเขาแยกเดียวอยู่ไม่นำมาเรียงเป็นลำดับไว้อย่างนี้รู ป, ปราคาคือจิตที่กำหนัดในรูปธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นปุตตภาพเป็นอารมณ์ทั้งหลายเหมือนกัน แต่ว่าถ้าเรียงอย่างนี้นั้นจะเน้นไปที่รูปประชานคือจะติดสุขอยู่ในรูปประชานเพราะว่าสีนั้นสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์บัรญาติพอประมาณแล้วก็สยบติดอยู่ที่รูปประชานตัวคล้ายๆกับอาราดาบทกาลามโคตุตกะดาบาดาบรามบุตรเนี่มาอยู่ตรงเนี้ยมาอยู่ที่รูปประชานนะรูปประชานเนี่ยอยู่ที่รูปประชานทั้งคู่นะครับผูฤสืีทั้งหลายส่วนหนึ่งก็จะติดอยู่ที่รูปประชาน แล้วก็พอใจติดใจในความสุขความสงบที่เกิดขึ้นจากรูปปัจจัยระดับนี้การที่จะละได้เนี่ยมันเป็นกุศลธรรมนะฮอที่จริงแล้วถ้าระดับ ช, งชังยศอย่างนี้มันมันมีลักษณะค่อนไปทางเป็นกุศลไปแล้วคือมันทำให้คนสยบติดแล้วก็ ปิดประตูนรกได้ด้วยนะเพราะว่าพวกนี้ไม่เกิดในอบายแล้วเกิดในพมหมโลกแล้วแต่สำหรับคนที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏเนี่ยถือว่าเป็นสังโยชน์อยู่เพราะว่าไม่สามารถจะช่วยให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏได้จะถามว่าที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะละได้ด้วยประการใดแต่แนวทั่วไปก็คือแนวการมราคาที่ว่ามาแล้ว แต่ถ้าแนวของระดับพระยะบุคคลมันก็ต้องอรหาตาัตมะกเป็นคนละได้นะฮปรูปราคาโดยทั่วไปก็พอใจยินดีติดใจในสุขเวทนาทั้งหลายแต่ก็แยกเดี่ยวมานะฮะแต่แยกเดียวมาไม่ได้เรียงลําดับแต่พอเรียงลําดับอย่างนี้ก็หมายถึงอรูปฌานที่ก็สงบกิเลสนะไม่เห็นอาการของกิเลส มันทาใหบังเกิดในรูปพ บ, พบแต่ว่าเป็นสังสารวัตรมีการเวทว่ายแต่เกิดเพราะงั้นมันก็กลายเป็นลูปรุ่มทวงในกรณีที่เราต้องการจะบรรลุผลเป็นพระหันตรงนี้ก็เราลองสังเกตนะฮะว่าพระนาคามีเนี่ยท่านยังบังเกิดในสุทธาวาสเพราะนั้นก็มีทั้งรูปปราคข้ารูปปราคขามีบารณอุจจวิชาก็ยังละไม่ได้ แต่นเรื่องที่ละเมิดละไมในข้อต่อไปก็คือมานะแปลว่าความถือตัวแต่ว่าตรงนี้มันไม่ได้หยาบนะแต่ถ้ามานะทั่วไปก็ก็หยาบยกตนข่มท่านยกตนเสมอท่านดูมินคนอื่นอะไรแต่ไรเนี่ยออกมาพวกนี้จะหยาบแต่ระดับนี้จะไม่หยาบคือเป็นความรู้สึกเป็นสุข ที่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็พอใจติดใจยึดติดในความเป็นตรงนั้นทั้งๆที่ยังไม่ส yoga, ơi, ม BLANK, ามารถทําตัวในกรหลุดพ้นจากสังสาระทุกได้ประการต่อไปก็คืออุตตจักความฟุ้งซ่านดําคาญแต่ตรงนี้ก็ฟุ้งเฉยนะครับไม่ถึงกับดําคาญตังนี้ถ้าในนิวร์เนี่ยเขาเรียกว่าอุตตจักอุตจัแต่พอสัญญอดเนี่ยเรียกแค่อุตตจัก เพราะว่ารัคาญเนี่ยมันมาอยู่ที่ปฏิฆะไปแล้วอุตจากก็คือฟุ้งจิตมันฟุ้งไปแล้วก็มาถึงอวิชชารากง่าวของสัพพกิเลสเรียกชื่ อ, อยังไงก็ไม่รู้ว่ามาจากอาวิชชาทั้งนั้นอวิชชาั้นที่จริงอัตถวัตถุกาเหมือนกันคือมีเรื่องแปดแปดประการด้วยกัน คือไม่รู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่แต่เป็นความไม่รู้ด้วยญาณที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าจริงๆรรยะบุคคลสามระดับขั้งต้นเนี่ยท่านก็มีญาณอย่างรู้ในอริยสัจสี่เพียงแต่ว่าญาณไม่สมบูรณ์นั้นเองคล้ า, ายๆกับแสงสว่างซึ่งมันเกิดขึ้นในจุดหนึ่งก็เป็นแสงสว่างแต่ว่ามันสว่างไม่มาก ก็ยังมีจุดที่มันมืดอยู่เพระาะเมื่อยังเป็นอวิชชาเนี่ยมันก็ไม่รู้ในอริยสัจทั้งสี่คือคำว่ารู้ในความหมายของตรงนี้นะฮะหมายถึงว่าไม่รู้ด้วยญาณสามที่สมบูรณ์คือญาณที่เกิดปุดขึ้นเมื่อบำเพ็ญเพียรจนจิตใจมีความสงบแล ะ, จะเจริญ ม, มือปัสสนาเนี่ย มันเกิดเป็นญาณผุดขึ้นโดยความสมบูรณ์ของอริมักโยงแปดประการแล้วมันจะเกิดญาณผุดขึ้นไปในจิตของท่านทรรกลางศีลสมาธิปัญญาที่มีความสมบูรณ์เนี่ยมันจะมีญาณผุดขึ้นเรียกว่าสมายานะัยญาะเรือความรู้ในทางที่ชอบแล้วก็ทําให้รู้เห็นอริยสัจในตามความเป็นจริงวันนี้ทุก นี่เหตุเกิดแห่งทุกข์นี่ความดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติได้ทังซึ่งความดับทุกข์ตรงนี้เรียกว่าสัจจญาณคือรู้ความจริงของอริยสัจแต่และข้อว่าอะไรเป็นอะไรแล้วต่อปัญญาคนเกิดผุดขึ้นไปในใจของท่านทำห้ท่านรู้ว่านี่ทุกข์ควรกาหนดรู้นี่สมุทัยควรละนี่นิโรธควรทำให้แจ้งนี่มรรคควรจเร้ ตรงนี้เรียกว่ากิจยานคือรู้ภารกิจที่จะต้องประพฤติปฏิบัติไดเหมาะสมสอดคล้องแ ก, ก่กรณีของอริยสัจแต่ละข้อและมียานเกิดผุดขึ้นว่านี่ทุกทุกควรกำหนดรู้เราได้กำหนดรู้แล้วนี่สมุทัยสมุ ท, ยมมทัยควรละเราได้ละแล้วนี้นิโรดนิโรคควรทำให้แจ้งเราทำให้แจ้งแล้วนี่ ม, มรุมรุมควรเจริญเราได้จเจริญแล้ว รวมแล้วก็เป็นยานสามซึ่งเกิดขึ้นในระยะสัตว์สี่หมุนวนกันไปสามรอบไปกันสามสี่ก็เป็นสิบสองก็ทำลายอาวิชาได้อย่างสิ้นเชิงแต่ทีนี้ในความเป็นอวิชาเนี่ยมันไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตไม่รู้ในกฎของปัจจัยาการด้วยแต่พอรู้อระยะสัตว์สี่อย่างนี้ก็ถูกรู้ไปทั้งหมดเพราะจริงจแล้วเนี่ยทั้งอดีตอนาคตทั้งอ อดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและกฎของปัจจัยการที่จริงก็คือเรื่องอริยสัจสี่เหมือนกันเพราะตรงนี้เวลาสังโยชน์เขาเกิดเนี่ยเราก็ไม่รู้อะไรมันจะเกิดแต่เกิดแล้วจะต้องรู้ตามความเป็นจริงของเขาอย่างอุตจักกุบกจะกสมมติว่ามันธรรมะเราทั่วไปนะฮะหรือสมณะสามญช น, นทั่วไปเนี่ยเราก็กำหนดได้ รู ป, ปราคาเราไปกำหนดมันในแง่ที่น่าใคราน่าปรารถนาหน้าพอใจรู ป, ปราคาเรากำหนดเหมือนกันแต่กำหนดสุขเวทนาว่าเป็นสิ่งที่น่าใคราน่าปรารถนาหน้าพอใจเพราะในการจะถ่ายถอนบรรเทาความกำหนัดความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นมันก็ต้องมองดั่งดของปัจจัยลักณ์เพื่อบรรเทาตัหามานะทิฏฐิให้จางคลายลงไปจากจิตใจ มานะาความถือตัวนั้นไปยึดติดในอะไรของเรานะหลายๆอย่างเช่นจะกุลูปร่างความรู้การศึกษาสถานะทางสังคมความฉลาดสามารถเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งนะตำแหน่งหนะ้าที่การงานใดๆแต่ละคนเตะได้แต่นั้นนะเอามาเบ่งได้แต่นั้นเราะพวกเรางี้มันก็ต้องรู้ว่าเราก็คือคนเขาคนอื่นก็คือคน จึงจะต้องยอมรับนับถือสถานะของกันรละกันแล้วก็ไม่มีใครใหญ่กเกินใครไปหรอกนอกจากว่าบทที่จะต้องสมมติบัญญัติอันนี้เราต้องยอมรับนะฮะบทที่ต้องสมมติบัญญัติกันเช่นว่าผู้กองกับพลตํารวจเนี่ยผู้กองก็ต้องยอมรับไอ้พลตำรวจก็ต้องยอมรับนับถือผู้กองไม่งั้นก็บริหารจัดการงานไม่ได้ แต่โดยสถานะหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงว่าความถือตัวเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นเนี่ยเราก็ไม่เหนือกว่าใครอ่ะเพราะในที่สุดเราก็ตายด้วยกันมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของสิ่งทั้งหลายเนี่ยเราลองสังเกตว่าต้นไม้ที่มีแก่นมากๆเนี่ยเปลือกมันจะอ่อนแล้วก็รวงเข้าที่เม็ดมันมากเนี่ยมันจะคล่อมลง ยอดของไม้ที่กินได้เนี่ยมันอยู่สูงที่สุดมันอยู่สูงเหนือกิ่งแต่ละกิ่งเนี่ยก็เป็นกฎธรรมชาติว่าที่จริงคนสูงสุดก็คือคนอ่อนน้อมที่สุดแต่ถ้าเรามองดูพระพธธุทธเจ้าแล้วเราจะเห็นพระเจ้าทรงไม่มีมานณ์อะไรทรงสูงสุดคือเป็นราชกุมารเป็นราชายาที่ควรแก่ตําแหน่งพระเจ้าจากกักรพรรด แล้วพระองค์ก็ลงมาเป็นนักบวชสามัญคืนสู่สามัญคือ น, นักบวชเร่ร่อนเที่ยวบินดาบาัดพิก า, ารจานขออาหารก็กินต่อมาจะสรุเป็นเทวดาเนื้อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เรียกว่าสูงสุดแต่ในที่สุดก็คืนสู่สามัญเกิเป็นนักบวชอยู่ตามกระต๊อบอยู่ตามโกลไม้ตามร้ำตามภูเขา ทำเพิงต่างๆไม่ได้แสดงให้เห็นความยิ่งใหญ่อะไรเพราะันสูงสุดคือ ส, ส, สู่สามัญและคนี่สามัญที่สุดคือคนที่สูงที่สุดคือคนจะให้การยอมรับนับถือเาลองดูพระราชวงศ์แต่ละพระองค์ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นคือทรงทำวางพระองค์แบบสามัญ ปกติธรรมดาราศดรเข้าเฝ้าได้บางครั้งเราเห็นภาพราศดรเสื้อก็ไม่สูมนุ่งผ้าขาวมาฝืนเดียวถือปลาเล่มหนึ่งมานั่งคุยอยู่กันในโดมและในสุดตรงก็เสด็จประทับอยู่ภายในจิตใจของประสบมิตรภายในแผ่นดิบนบทเรียนเหล่านี้ที่จริงสอนให้เรามองโลกมองชีวิตด้วยความเข้าใจ ว่าคนเราอย่าไปใหญ่นะฮะใหญ่มันไม่ใหญ่จริงอะ่ะต้องคนอื่นว่าเราใหญ่ไม่เคยไม่ใช่แต่งตั้งนะฮะไม่ใช่เรื่องแต่งตั้งแล้วก็ใหญ่แต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยสังคมก็ยอมรับคนนั้นก็ใหญ่ในหัวใจของเขาในสายตาคนอื่นอาจจะตามต่ อ, อยังไงก็ตามแต่ถ้าคนคนหนึ่งสังคมเกิดยอมรับแล่วเขาเป็นใหญ่เขาก็ใหญ่ เราไม่ต้องคิดว่าเราใหญ่เองแล้วเราทําหน้าที่เอดีที่สุดแล้วใครก็จะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็เป็นเรื่องของเขาจริงการทําหน้าที่ที่สุดนั้นคือภารกิจที่ถูกต้องส่วนใหญ่หรือไม่ใหญ่เนี่ยไม่ไม่สําคัญอะไรนะเพราะว่าจบถึงเราก็ตายได้กันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวเป็นเรื่องประเดี๋ยวประดาเท่านั้น การพยายามทําความเข้าใจอย่างเนี้ยในที่สุดมันก็ลดทุกมาน่าอะไรแต่อะไรลงไปได้แต่เราสังเกตว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดเพียงแดวข้อใดเกิดก่อนเกิดหลังเท่านั้นก็จะต้องรู้ว่าพวกเนี้มันเป็นกิเลสเป็นโทษจะต้องลดละบัญเทาวาจางคายลงไปเป็นประการสําคัญต้องฟังทั้งหลายใต ร, ร่มพระพุทธาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญก็ ง, งามไปบูรณนธรรม มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี